เกมกรรมบทที่สเรื่องหนี้หนี้ที่ยังไม่ชดใช้จะถูกตามทวงเรื่อยไปจากรูปในหนังสือคือรูปนกบินและมีคำถามว่าต้องบินอีกไกลแค่ไหนเนี่ยนะถึงจะหนีกรรมได้พ้นมีคำตอบว่าขนาดนก มันยังได้ปีกมาจากกรรมบินหนีกรรมของตัวเองไม่พ้นเลยแล้วคนไม่มีปีกที่ไหนจะพ้นกรรมเพียงเพราะคิดจะติดปีกหนีได้ละ่ะหัวข้อนี่บุญกับนี่บาปในชีวิตประจำวันคุณคงเห็นว่าการยังไม่ใชหนี่และจะคาดหวังความเบากายสบายใจนั้นไม่ใช่วิสัย นั่นเป็นทรรนองเดียวกับนี่กรรมตราบใดคุณยังไม่ชดใช้ตราบนั้นคุณไม่มีทางเป็นสุขราบรื่นสำหรับนี่ในเกมกรรมหมายถึงภาระต้องชดใช้ในทางใดทางหนึ่งเป็นสิ่งที่อาจหลบเลี่ยงไม่ยอมใช้กับเจ้าหนี้โดยตรงก็ได้แต่เกมกรรมจะใช้ให้คนอื่นไปทวงแทนและการทวงอาจมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึง หากเป็นหนี้ขนาดใหญ่คุณจะรู้สึกแต่ว่าชีวิตมีแต่เรื่องหน้าหนักอกแต่หากเป็นหนี้ขนาดเล็กคุณอาจรู้สึกเพียงรำคาญแต่ไม่ว่าจะหนักอกนานๆหรือรำคาญสั้นๆคุณก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังชดใช้หนี้ก้อนไหนอยู่บ้างนี่คือกติกาอีกข้อหนึ่งของเกมกรรมที่อาจฟังดูแล้วไม่ยุติธรรมเอาเลย คุณไม่เคยเห็นใบเสร็จชัดๆแต่จะดวนทวงอย่างทารุณเมื่อครบกำหนดชำระแล้วไม่ชำระนี่แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือนี่บุญคุณหมายถึงการที่ใครบางคนช่วยให้คุณดำรงชีวิตอยู่ได้หรือนำคุณออกมาจากสถานการณ์ลำบากหรือทำให้คุณสุขสบายกายสบายใจเป็นพิเศษการติดนี่บุญคุณแตกต่างจากคะแนนติดลบ เพราะส่วนใหญ่การไม่มีโอกาสชดใช้นี่ยังไม่ทำให้คุณต้องประสบทุกข์นี่ประเภทนี้จะให้ผลหนักเมื่อคุณจงใจลืมบุญคุณหรือกระทั่งทำร้ายผู้มีพระคุณผลของการทำร้ายผู้มีพระคุณอาจคูณสิบคูณร้อยหรือคูณพันของการทำร้ายคนทั่วไปพระคุณยิ่งสูงมากตัวคูณยิ่งสูงตาม นี่บาปเวรหมายถึงการที่คุณทําให้ใครบางคนต้องบาดเจ็บล้มตายหรือทําให้เขาตกที่นั่งลําบากหรือทําให้เขาทุกข์กายไม่สบายใจผิดปกติการติดนี่บาปเวรเป็นอันเดียวกับคะแนนติดลบจะต่างกันก็ตรงที่คะแนนติดลบธรรมดาอาจไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นคุณดื่มเหล้าเมาจนสุขภาพเสื่อมโทรมโดยไม่รบกวนใคร จะเป็นคะแนนติดลบธรรมดาแต่ถ้าเมาสุราอราลวาดทำร้ายคนอื่นด้วยอย่างนี้ก็ถือเป็นนี่บาเวนที่ต้องชดใช้หัวข้อวิธีใช้นี่บุญคุณหนึ่งสำนึกบุญคุณหมายถึงการจดจำไว้ไม่ลืม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่แกล้งลืมว่าใครเคยให้ความช่วยเหลืออะไรคุณไว้บ้างวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ลืมบุญคุณคนก็คือมันระลึกถึงเสมอเสมออาจจะด้วยการนารูปบุคคลที่มีพระคุณสูงสุดมาแขวนไว้ในจุดเห็นง่ายและกราบไหว่อยู่เนืองเนืองการกราบไหว้เปล่าเปล่ากับการกราบไหว้ด้วยความระลึกถึงบุญคุณนั้นแตกต่างกันมาก ด้วยการระลึกถึงพระคุณท่านคุณจะรู้สึกถึงความอ่อนน้อมเคารพความจดจําที่ลึกซึ้งและความเป็นมงคลอันอบอุ่นนี่แหละอาการทางใจที่สะท้อนความรู้สึกสํานึกคุณขอให้ลองคิดดูว่าใครน่าให้ช่วยมากกว่ากันระหว่างพวกที่ตั้งหน้าตั้งตามาเอาท่าเดียวพร้อมจะลืมว่าได้อะไรมาจากใครกับพวกที่สํานึกคุณคนเป็น จดจาบุญคุณคนได้การสำนึกบุญคุณนั้นไม่ว่าจะด้วยการระลึกขึ้นมาเฉยเฉยหรือการหมั่นกราบไหว้รูปเคารพจะทำให้ตัวตนของคุณเล็กลงเพราะตระหนักว่าที่โตขึ้นมาได้หรือดีขึ้นมาได้ย่อมไม่ใช่จากตัวเองโดดๆอย่างน้อยต้องมีการให้ความช่วยเหลือคำจุนจากผู้อื่นเสมอคนสำนึกบุญคุณเก่ง จะไม่ลืมตัวง่ายๆและนั่นก็หมายความว่าจะตกต่ำลงยากด้วยเหตุใดจึงควรกล่าวว่าเพียงด้วยการจดจำและสำนึกบุญคุณคนถือเป็นการใช้นี่บุญคุณบ้างแล้วคําตอบคือคุณทำให้จิตอันเป็นกุศลสว่างเกิดขึ้นเหมือนแผ่ความสุขไปให้ผู้มีพระคุณแล้วขอให้ลองนึกในทางกลับกันว่า ถ้าพบคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือและเขามองคุณด้วยสายตาเคารพยิ้มแบบระลึกได้ว่าคุณเป็นผู้มีบุญคุณแน่นอนคุณต้องรู้สึกอิ่มใจได้บ้างการหมั่นระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณคนจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคในระคุนถ้าไม่หมั่นระลึกถึงบุญคุณคนแล้วในที่สุด จิตมักลืมอย่างสนิทว่าติดหนี้ใครอยู่บ้างนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่เมื่อไม่เข้าข้างสว่างก็ย่อมยืนอยู่ข้างมืดความมืดคือโมหะที่เข้าครอบงำเมื่อถูกครอบงำด้วยการลืมบุญคุณหนักเข้าก็มีสิทธิ์ยกชั้นขึ้นเป็นการเนรคุณในที่สุดแค่เพียงกรรมที่ลืมบุญคุณคน ก็จะทำให้เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจช่วยเหลือในยามลำบากแต่หากถึงขั้นเนรคุณได้ก็จะต้องโดนโทษหนักทำอะไรต่อให้เจริญแค่ไหนก็จะกลับตกต่ำอย่างไม่คาดฝัน 2. หาทางตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อ การระลึกถึงบุญคุณคนในข้อก่อนและก่อให้เกิดแรงดันทําให้คุณพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้มีพระคุณเต็มกําลังหรือเท่าที่มีโอกาสเป็นไปได้คุณจะไม่มานั่งคํานวณว่าใครให้คุณมาเท่าใดและคุณควรชดใช้ไปแค่ไหนเพราะความรู้สึกอยากตอบแทนตามโอกาสนั้นจะเกิดขึ้นเท่าที่ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่ คำว่าสมน้ำสมเนื้อนั้นอาจเข้าใจง่ายถ้าเป็นกรณีทั่วไปเช่นเมื่อคุณเป็นหนี้ใครหนึ่งพันบาทการใช้คืนอย่างสมน้ำสมเนื้อก็คือให้คืนเขาหนึ่งพันบาทหรือควรเพิ่มเศษเข้าไปนิดหน่อยเป็นดอกเบี้ยตามอัตรามาตรฐานแต่หลายครั้งบุญคุณวัดกันเป็นตัวเงินไม่ได้อย่างเช่นพ่อแม่นั้นท่านช่วยในสิ่งที่คุณและใครอื่น ไม่อาจช่วยได้เลยนั่นคือทำให้รูปมนุษย์อุบัติขึ้นมาชั่วชีวิตคุณจะรับเงินใครมาอย่างน่าทราบซึ้งเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามย่อมไม่อาจเทียบค่าได้เท่าตัวของชีวิตเองที่ใช้รับเงินทองเหล่านั้นจริงไหมดังกล่าวแล้วในบทที่สองว่ากายใจมนุษย์เป็นอุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงคุณได้มาจากใคร คนนั้นจึงมีบุญคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมฉะนั้นการตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อจึงไม่อาจตีค่าด้วยการให้เงินทองเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ถ้าพวกท่านไม่มีคุณพวกท่านจะยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีพวกท่านคุณจะไม่มีเลือดเนื้อและชีวิตขึ้นมาได้เองต่อให้เอาสมบัติทั้งหมดที่คุณหาไดมายกให้พวกท่าน ก็ยังไม่อาจเรียกได้เต็มปากเต็มคําว่าใช้หนี้ครบคุณจะหาสมบัตินอกกายชิ้นใดมาเทียบได้กับเลือดเนื้อก้อนที่ยังเป็นคุณอยู่ทั้งตัวลระการคิดเลี้ยงดูให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจนับเป็นการตอบแทนครึ่งเดียวหากจะตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อคุณต้องมีโอกาสด้วยโอกาสที่ว่านั้นคือพ่อแม่ของคุณ ยังขาดความรู้ความศรัทธาในเรื่องกรรมและการให้ผลกรรมยังไม่มีความตั้งมั่นในทานยังไม่มีความตั้งมั่นในศีลและคุณสามารถโน้มน้าวชักชวนให้พวกท่านมาเข้าใจกติกาการให้ผลของกรรมฝึกให้ทานจนไม่ให้แล้วเหมือนขาดอะไรไปฝึกถือศีลจนประพฤติผิดแล้วรู้สึกผิดรุนแรงนั่นแหละ จึงได้ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านอย่างสมน้ำสมเนื้อที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะในเกมกรรมนี้กรรมดีนั่นเองคือที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อคุณทำให้ท่านศรัทธากดแห่งกรรมวิบากตั้งมั่นในทานตั้งมั่นในศีลก็เท่ากับคุณตอบแทนเลือดเนื้อก้อนนี้อันเป็นอันตภาพดีๆในเกมกรรมครั้งต่อๆไปของท่านนั่นเอง ธรรมชาติพิเศษของการใช้นี่บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่งคือยิ่งนี่สูงแล้วคุณใช้คืนอย่างสมน้ำสมเนื้อคุณจะได้คะแนนบวกมหาศาลน้ำหนักของกรรมดีที่คุณทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกตำ่ำแม้ชาติปัจจุบันถูกกรรมเก่าร้ายเล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาตามสมควร เรื่องน่าเศร้าคือเกมกรรจะปิดบังไม่ให้คุณเห็นช่วงเวลาที่แม่ลำบากตั้งท้องคุณไม่เปิดเผยให้เห็นช่วงนาทีวิกฤตที่ต้องทุกข์สาหัสกับการแบ่งคุณออกมากับทั้งไม่ให้คุณรับรู้ว่าพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงคุณอย่างไรคุณจึงเห็นแค่บุญคุณของครูบุญคุณของเพื่อนบุญคุณของใครต่อใครอื่นในโลก ที่ทุ่มเทเวลาช่วยเหลือคุณเลยอาจเผลอไปตัดสินว่าน้ำหนักบุญคุณคงพอๆกันกับพ่อแม่ของตัวหากคุณไม่ตอบแทนพ่อแม่เลยลูกของคุณจะทําหน้าที่ทวงแทนคือกรรมของคุณจะไปดึงดูดเอาพวกที่จะมาเป็นลูกล้างลูกผานและไม่สํานึกบุญคุณสําคัญไปเองว่า เด็ดนี่น้ํากามคุณเพียงหยดเดียวในกรณีทั่วไปสำหรับใครก็ตามที่มีพระคุณโดยเฉพาะในระดับที่ทำให้คุณรู้สึกซาบซึ้งการใช้นี่ที่ดีที่สุดคือการให้ความสุขกับเขาอะไรก็ตามที่ทำแล้วรู้ว่าเขาจะเป็นสุขจงทำให้มากและทาเท่าที่โอกาสจะอานวย อย่ากะเกณว่าแค่นี้ใช้นี่ให้แล้วถือว่าหายกันแล้วเพราะโดยทั่วไปถ้าถึงขั้นที่คุณรู้สึกซาบซึ้งบุญคุณใครส่วนใหญ่บุญคุณนั้นจะหนักยิ่งอย่าประมาณเลยว่าชดใช้แค่นั้นแค่นี้แล้วจะพออย่างไรก็ตามการใช้นี่บุญคุณควรเป็นไปตามกำลังและไม่ใช่ต้องทุ่มเทเงินทองเท่านั้น ยังมีวิธีอื่นอีกมากที่คุณรินสุขสู่ใจใครๆโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองเช่นขวนขวายทำกิจให้ผู้มีพระคุณสะดวกสบายไม่ต้องลำบากมากก็นับว่าดีแล้วอันหนึ่งถ้าเจอการลำเลิกบุญคุณในแบบที่มาตั้งหน้าตั้งตารีดนาทาเร้นทำให้คุณอึดอัดใจหรือหนักกว่านั้น คือทําให้คุณถึงขั้นเดือดร้อนไม่เลิกก็อนุโลมได้ว่าเขาเคยมีบุญคุณกับคุณแบบนักลงทุนที่อยากถอนทุนคืนซึ่งก็ควรให้คืนตามการเรียกร้องเป็นครั้งแรกหากรู้สึกว่าการชดใช้น่าจะเทียบน้าหนักกับบุญคุณได้แล้วก็ให้ถือว่าพอได้ไม่ต้องชดใช้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามอาเภอใจของเจ้านี้